เราพวกเราที่ได้มาวัดป่าสุขโตเอาไม่เป็นไรนั่งตามสบายจะประนมมือหรือไม่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสติตั้งใจฟังเราพวกเราที่ได้มาวัดป่าสุขโตบางคนก็พึ่งมาบางคนก็ มาได้เป็นอาทิตย์นานเป็นเดือนหรือบางคนก็เป็นปีภูมิลํำนาของแต่ละคนก็หลากหลายแตกต่างกันไปนบางก็มาจากทิศเหนือบางคนก็ไปทิศใต้จํานวนไม่น้อยก็มาจากกรุงเทพแล้วก็มีบางคนที่มาถึกจากต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่ ดึงดูดให้พวกเรานะมาที่นี่จากทุกสารทิศก็คือความปรารถนาที่จะได้พบกับความสุขหลายคนน่าจะมีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็ผ่านความสนุกสนานมาแต่ว่าก็หาความสุขไม่พบหรือว่าอาจจะพบแต่ก็ดูเหมือนว่า มันมาเพียงแค่ชั่วคราวยิงไล่ล่าหาความสุกเท่าไหร่นะก็ยิงไม่เจอหลายคนก็อุตส่าห์ดันต้นะเดินทางไกลกันมาถึงที่นี่เฉพาะนักครูเจ้าที่จากวันสว่างจิตนะก็ก็คงจะได้เห็นกับตาสัมผัส กับใจด้วยตัวเองว่าการเดินทางมาที่นี่มันไกลไม่ใช่น้อยทีเดียวจะว่าไปแล้วเนี่ยอย่างเดียวที่ควรค่าแก่การแสวงหาหรือการค้นพบที่นี่เนี่ยไม่ใช่อะไรเลยจะเป็นความสงบแล้วก็ก็ไม่เชิงหรือถึงจะได้สัมผัสกับความสงบ แต่ว่ามันก็จะเป็นความสงบช่วครู่กช่วยยามพอกลับไปกรุงเทพกลับไปที่ทำงานความว้าวุ่นความเบิกทธิคึกโครมก็บังเกิดขึ้นอันท่าจะแสวงหาอะไรหรือสิ่งเดียวที่มีค่านะก็คือการที่ได้มารู้จักตัวเองการได้มาค้นพบตัวเอง สิ่งนี้เนี่ยสำคัญกว่าช่วงนี้นะใครที่ติดตามข่าวครา ว, ราวก็ จ, จะมีความสงสัยหรือปริศนาข้อหนึ่งนะมีหลายคนก็มาถามว่าเครื่องบินสายการ บ, บินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปจากน่านฟ้าเนี่ยเมื่ออาทิที่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนหลายคนก็ติดตามใจจดใจจอ่อ ข่าวนี้นะบางทีก็ส่งลายมาให้ตามนานะนะว่าตอนนี้สงสัยว่าเครื่องบินลำนี้อยู่ที่นั่นที่นี่นะมันเป็นเรื่องที่น่าชวนติดตามมากนะนะว่ามันหายไปไหนไม่มีสัญญาไม่มีร่องรอยไม่พบซากเครื่องบินเลยหรือว่ามันหายไปอีกมิติหนึ่งแล้วอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินบางลำ ที่ผ่านสามเหลีย่ยมเบอร์มือด้าแล้วก็หายไปเลยนะมีคนก็สนใจจดจดจอดติดตามถึงกับมาถามอาตมา ก, ก็มีอาตมา ก, ก็แนะนำเข้าไปว่าอย่าไปห่วงเครื่องบินนั่นเลยนะตามหาตัวเองดีกว่าคนส่วนใหญ่นี่ก็มัวแต่สนใจตามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก็ ตามหาเพื่อนตามห า, าความสำเร็จตามหาชื่อเสียงเงินทองแต่ว่าสิ่งที่มักจะมองข้ามไปคือตามหาตัวเองให้พบสมัยที่พระเจ้าทรงตัดสรุใหม่ๆเนี่ย<ม>ก็มีค่าวหนึ่ง<ม>นะพระองค์ได้มีหญิง มีหนุ่มนั่นก็เรียกมานพกลุ่มหนึ่งนะเดินตามหานางคณิกาเพราะว่าไปจ้างนางคณิกามานะเราก็หวังว่าจะได้เนะฉิมสมหรือว่าสนุกสนานด้วยกันแต่ว่านางคณิกานะั้นก็กลับหนีไปแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของมานพกลุ่มนั้นไปด้วย มานุษหล่อนี้ก็เป็นคนมีเงินนะก็ตามหาว่านางคณิกาไปไหนมาถามพระเจ้าว่าท่านทราบหรือไม่ว่านางคณิกาไปไหนพระเจ้าก็เลยตอบมานุเหล่านั้นว่าจะตามหาหญิงสาวไปทําไมนะตามหาตัวเองไม่ดีกว่าหรือคํา พ, พูดเช่นนี้ก็สะดุดใจน้มานุเหล่านั้นมากไม่เคยคิดเลยนะว่า อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญกับชีวิตแต่ว่ามันก็ทำให้หลายคนได้คิดนะแล้วก็หันม า, าศึกษาพระธรรมหันมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า้พวกเราอุตส่าห์เดินทางกันมานะจากที่ไกลไกลุ่งสีเวลาเป็นเวลาหลายวันเป็นอาทิตย์ถ้าหากว่า จากคนพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีค่านะสิ่งนั้นคือการค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองสำคัญอย่างไรงมันสาคัญมากเพราะมันทำให้เราสามารถจะรักตัวเองได้และคนที่รักตัวเองได้อย่างถูกต้องนั่นแหละจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงพูดอย่างนี้หลายคนก็สงสัยการรักตัวเองนี่มันต้อง ต้องมาจาเป็นต้องมาศึกษาต้องมารู้จักตัวเองด้วยหรือเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณคนเราอยู่แล้วที่ต้องรักตัวเองแล้วก็จริงอยู่นะคนเราก็รักตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่รักตัวเองไม่ถูกรักตัวเองไม่เป็นมันก็เหมือนกับคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็กินอาหารเป็นกันทั้งนั้นแหละกากินอาหารได้กันทั้งนั้นแหละรู้ว่ากินอาหาร เป็นยังไงแต่ว่าจํานวนไม่น้อยกินไม่เป็นกินได้จะกินไม่เป็นอย่างเช่นคนอีสานนะจำนวนหนึ่งสมัยก่อนมีเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะก็คือว่าชอบกินปลาดิบพอกินปลาดิบเข้าเกิดอะไรตามมาพยาใบาไม้ในตับกลายเป็นมะเร็งมะเร็งในตับนี่เกิดขึ้นมากนะ ในคนดีสารเพราะว่าการกินปลาดิบก็เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่กินไม่เป็นนะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีกินนะแต่ว่าเลือกที่จะกินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คนสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยกินไม่เป็น แม้ว่าจะร่ำรวยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะมันมีโชกุนคนสองคนในช่วงท้ายๆของยุคโชกุนนะยุคโชกุนมันหมดไปเมื่อประมาณส5 0ร้ยห้าสิปีก่อนมีโชกุนอยู่คนสองคนที่อายุสั้นมากอายุแค่ยี่สิบกว่าตายเพราะอนะไรทราบตายเพราะว่า ขาดวิตามิน B คือเป็นโรคปางนกกระจอกขาดวิตามิน B ก็คือก็จะคงไม่ได้กินข้าวซ้อมมือนะกินแต่ข้าวขาวเพราะว่าวิตามิน B มันอยู่ในข้าวซ้อมมือเป็นยิงโชกุนนะมีอำนาจเรียกว่ายิ่งกว่าจากกาักรพรรดิแต่ตายอายุยี่บกว่าเพราะว่าเป็นโรคปางนกกระจอกขาดวิตามินบ ถามว่าไม่มีกินหรือเปล่าคงไม่ใช่นะแต่เลือกกินมากกว่าเลือกกินอยากจะกินข้าวขัดข้าวขาวข้าวซ้อมมือมันสากเคี้ยวยากอันนี้เรื ก, กินไม่เป็นทั้งที่ว่ารู้จักกินมาตั้งแต่เกิดแต่ก็กินไม่เป็นบางคนกินแต่เนื้อนะเป็นเก้าอายุแค่สี่สิบก็ตายนะอย่าง เศรษฐีที่เป็นผู้ประทับไมเคิลแอนเจโลคนเราคงรู้จักไมเคิลแอนเจโลเขาได้ดีได้ดีเพราะมีผู้ประทัาชื่อลอร e n ินโซเมดิชีเก่งมากนะแต่ว่าอายุสั้นเพราะว่าเป็นเกาตายเขาชอบกินแต่เนื้อกินแต่เครื่องในร่ำรวยมากไม่กินผักเลยอันนี้เรียกว่ากินได้แต่กินไม่เป็น คนสมัยก่อนถึงไม่รวยเนี่ยแต่ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะเพราะการกินไม่เป็นในสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยตามานี่บ้านอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นเป็ น, ปนวังของเจ้านายก็มีหมอมหมอมห้ามคนนึงนะอายุมากแล้วเป็นคอหอยพ่อเอย่างนี้สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วคอหอยพอกันะคอหอยพ่อนี่เป็นพ่อเพราะขาดไอโอดีนก็คือขาดเกลือนั่นเอง ไม่ใช่จนนะรวยไม่ขาดแคลเรื่องการกินแต่ว่ากินไม่เป็นส่วนก็เพราะขาดความรู้ด้วยขาดความรู้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้ไม่มีปัญหาแล้วลโรคปากนกกระจอกหรือว่าโรคข้อหาอยพอกนะเพราะว่ามีการเติมวิตามิน B แต่แล้วก็ ใช่ว่าจะกินเป็นนคนสมัยนีย้กินเนื้อนมไข่กันเยอะมากนะจนกระทั่งเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานกินน้ําตาลกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทําเป็นนะในตองเดี็กันการรักตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นสัญชาตญาณของเราตั้งแต่เกิดโดยเพราะเวลามีภัยคุกคาม การรักตัวเองก็จะแสดงตัวเองชัดเจนคือการต่อสู้นะสู้ยิบตาเลยเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตนะแต่ว่าเวลามีความสุขความสบายการรักตัวเองก็จะเป็นการรักตัวเองในทางที่ผิดก็ได้แลซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะการที่ไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเลยเพราะจิตใจ เราจะมีความรู้เรื่องร่างกายเยอะเดี๋ยวนี้เรามีความรู้เรื่องร่างกายเรื่องร่างกายมากจนกระทสามารถที่จะรักษาร่างกายเราให้มีสุขภาพอนมามัยดีแต่พอเราไม่รู้จักดูแลรักษาจิตใจของเราจิตใจนั่นแหละที่มันจะทําให้เรามีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเป็นทั่วกับตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยการกินเหล้าสูบบุหรี่ มันก็เป็นการเชิญชวนเชื้อโรคมาเชิญชวนโรคภัยไข้เจ็บและความตายมาหาตัวเร็วเข้าคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่นะเป็นนิสัยเนี่ยจะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรเรื่องรักตัวเองเนี่ยนะก็เคยมีพุทธพจน์นะจัดเอาไว้เรื่องของเรื่องคือว่า พระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยนะท่านมีมาเหสีที่เปิดโปรดปานมากชื่อว่านางมริกาเทวีวันหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ถามนางมริกาเทวีว่านางรักใครมากที่สุดนางก็ตอบตามตรงเลยว่าไม่มีใครเป็นที่รักของหม่อมฉันยิ่งกว่าตัวหม่อมฉันเอง พระเาเปเนิโกศล ฟ, ฟังก็สะอึกเลยนึกว่านางมริกาเทวี TV จะตอบว่ารักพระชาเปเสนทโกศลเหนืออื่นใดชาวคนที่ประจบ ป, ประแจงก็จะพูดอย่างนั้นแต่นางมริกาเทวี TV เป็นคนที่ใฝ่ธรรมพูดตรงไม่โกหกพระเาเปเนิโกศลได้ฟังก็ที่แท้ก็ไม่พอใจแต่พอนางมริกาเทวี TV ถามว่าแล้วพระชาเปเสนทิโกศลล่ะ รักใครมากที่สุดพระเจ้าปเสนยุโกศล ใ, ใครโกรธก็เพราะเออใช่นะเราก็รักตัวเองมากกว่าใครนะวันรุ่งขึ้นพระเจ้าปเสนยุโกศลก็ไปกลับไปฟ้าพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องนี้พระเจ้าก็ตรัสรับรองนะวพระองค์ก็พูดเป็นภาษิตหรือคาถาว่าเมื่อตรวจดูด้วยจิตนะทั่วทุกทิศแล้ว ไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักจริงกว่าตัวเองคนอื่นก็รักตนเช่นเดียวกันและท่านก็นตัดต่อยว่าเพราะฉะนั้นเมื่อรักตนก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นความหมายของพาริตเนี่ยสำคัญตรงประโยคสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อรักตนก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้คือการรักตนที่แท้จริงนะ เพราะว่าถ้าเรารักตนไม่ถูกเนี่ยนะก็อาจาจะไปเบียดเบียนผู้อื่นไปรักขโมยนะหรือว่าไปแย่งชิงคู่รักของเขาหรือว่าไปไปโกงเป็นโกงเงินของคนอื่นหรือทำลายผู้อื่นเพื่อจะได้มีอำนาจไอ้การทาเช่นนี้เนี่ยนะ มันเท่ากับหาเรื่องใส่ตัวถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จนะสามารถจะแย่งชิงคนรักของเขามาได้สามารถที่จะโกงเงินมาได้สามารถที่จะขโมยของรักของหัวของเขามาได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรับวิบากต้องชดใช้กรรมเพราะว่าเมื่อไปเบียดเบียนเขาเขาก็ต้องตอบโต้แก้แค้น จองเวรเอาคืนถึงแม้เขาจะยังตามล่าไม่ถึงก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขได้เรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกันอนก็สะดุ้งหวาดผวาเพราะกลัวว่าตำรวจจะมาจับกลัวว่าเขาจะมาล้างแค้นนั่นถ้ารักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนผื่นยังไง ก็ไม่เบียดเบียนพื้นด้การรักษาศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันนให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบีย น, นพื้นด้วยอํานาจของความโกรธความโลภและความหลงแล้วคนรานี่ถ้าปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงคล่อมงับเนี่ยมันทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะถ้าโกรธก็ไปผิดศีลข้อที่1ถ้าโลภ ก, ก็ผิดศีลข้อที่2ข้อที่สาม ส่วนข้อที่4ี่นี่ก็เป็นความเกิดจากความโกรธนะต้องการทําร้ายต้องการใส่ร้ายเขาแล้วข้อที่ห้าล่ะมันเป็นการเติมความหลงให้กับจิตใจว่า ก, กื่เหล้าเมายาสิ่งเสพติดแล้วเนี่ยมันก็หลงนะเมามา ย, มายขับรถก็ไปชนเข้าหรือไม่ก็หหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าไม่ชนใครแต่ตัวเองตาย บาทีก็พาคนอื่น ต, ตายไปด้วยถึงไม่ตายก็พิการพิการตั้งแต่อายุยี่สิพิการตั้งแต่อายุ 19, เพราะว่าเมาอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองเพราะความหลงแต่ความโลภและความกลัวก็เหมือนกันสามารถที่จะกวากมือเรียกให้ความทุกข์ร้อน มาย่ำยีเบี้าชีวิตจิตใจของตัวเองได้นั่นคนที่ไปขโมยนะทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปย่งชิงคนรักของผู้อื่นคนเหล่านี้เนี่ยแม้เขาจะคิดว่าเขารับตัวเองทําเช่นนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขากําลังก่อกรรมทําเข็นให้กับตัวเองแล้วอย่างนี้จะรับตัวเองได้อย่างไร แล้วถ้าดูให้ดีเนี่ยที่เขาทำเช่น น, นั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเขารักตัวเองนะแต่เพราะเขารักเงินนะเขารักเงิน<ม>เขาถึงไปขโมยเงินจากผู้อื่นเขาถึงไปโกงบางคนรักเงินนะถึงขั้นไปทำลายพี่น้องยังชิงมรดกรักเงินสามารถทำให้คนบางคนในี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เพื่อจะทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ คนอย่างนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเองนะเพราะว่าเขากาลังเดินหน้าสู่นรกใจที่ทําไปเพราะว่ารักทรัพย์สมบัติมากกว่าบางคนอาจจะไม่ถึงกับไปทําร้ายใครนะแต่ว่าทําร้ายตัวเองตรงๆเลยนะอย่างเช่นบางคนรักแก้แหวนเงินทองมากพอสายสร้อยหาย นะกําไรหายกําไรทองกําไรเงินหายหรือว่าทัพทิมมรารกกดหายนี่สุดเลยนะมีคุณยายคนนึงอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วทํามารกกดหายปรากฏากว่าป่วยหนักเลยด้วยความเสียดายด้วยความเสียใจอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมอย่างนี้เรียกว่ารักมรกรกดรับทัพทิมมากกว่ารักตัวเอง เพราะว่าใจนี่ก็ยังยึดมั่นเสียดงเสียจได้จนกระทั่งปล่อยให้ใจิตใจย่ำแย่ถึงกับเจ็บป่วยบางคนบางคนโดนเพื่อนโกงเงินไปหรือว่าเขายืมเงินแล้วไม่คืนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะร่างกายผายพอมอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ารักตัวเองไหมอันนี้เรียกว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเอง เห็นแก่งเงินจนกระทั่งปล่อยให้ร่างกายสุดหรือบางคนเนี่ยถูกโจรจี้ในซอยเปรี่ยวโดนบอกเอาเงินมาเอาสายสร้อยมาเอาโทรศัพท์มาขัดขืนต่อสู้ไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปแต่ยอมให้เขาทำร้ายถึงตายได้หรือว่าถึงกับพิกการอันนี้เราไม่ได้รักตัวเองแต่แต่รักทรัพย์สมบัติมากกว่า รักโทรศัพท์มากกว่าแต่ว่าไปแล้วเนี่ยรักตัวเองไม่เป็นรักตัวเองไม่ถูกนะมันก็เลยเผลอไปรักสิ่งอื่นแทนแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองรู้จักรักษาดูแลจิตใจของตัวเองเนี่ยมันจะไม่เผลอนะไปรักสิ่งอื่นโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นของหยับหยาด เช่งเงินทองชื่อเสียงฐานะตำแหน่งเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นใหญ่เลือใจของเขาจนกระทั่งผลักดันให้พร้อมจะทำชั่วได้เช่นโกงขมโมยหรือว่าอเอาแต่เสดายไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางจนเจ็บล้มป่วยทารักตัวเอง จริงเนี่ยนะก็พร้อมที่จะปล่อยวางมันได้เพื่อจะรักษาสุขภาพของตัวเองให้นอนหลับนะให้จิตใจนะเป็นปกติยังจะได้ไหว่าการรักตัวเองเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะรู้จากการรักตัวเองอยู่แล้วนะถึงแม่รักตัวเองมาตั้งแต่เกิดแต่ว่า ลักตัวเองไปในทางที่ผิดก็มีมันต้องเรียนรู้ต้องศึกษาขนาดการกินอาหารเนี่ยนะกินได้ก็ไม่ใช่ว่าจะกินเป็นกับทุกคนเราก็ต้องเรียนรู้นะว่าต้องกินอะไรบ้างที่มันจะช่วยทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วยและกินมากน้อยแค่ไหนนะถึงจะทำให้สุขภาพดีอันนั้นเป็นเรื่องนอกตัว แต่เรื่องเรื่องในใจเราก็สําคัญนะที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้เรื่องตัวเองโดยเพาเรื่องของจิตใจแต่การเรียนรู้จิตใจของตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรียนรู้จากการอ่านแต่เรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้โดยการตามดูรู้ทันใจของเรา จนกระทั่งเห็นธรรมชาติของใจหรือว่าเห็นอารมณ์ที่มันครอบงําจิตใจแล้วก็ชักพาให้ไปในทางที่ผิดหรือว่าก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็ซ้ําเติมตัวเองคนเราทารักตัวเองแท้จริงนี่ก็ยังไปปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำนะไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเกลียดความน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกผิดหรือที่เรียกลมรวมวกันว่า โลภโกรธหลงเพราะว่าจะปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงำจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายก็ไม่เป็นสุขคนที่เอาแต่เฝ้ากังวลหวงลูกคนที่เสียดายทรัพย์สมบัติที่หายไปก็กินไม่ได้นอนไม่หลับความดันขึ้นยิ่งคนที่โกรธเกลียดนะเป็นคนโกรธง่ายเอาแต่ถนอม ความโกรธความเครียดความพยาบามเอาไว้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขากําลังทําร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะวันดีคืนดีก็อาจจะโกรธจากจากกนกระทั่งเส้เลื อ, อในสมองแตกเส้ลือดสมองแตกนี่ไม่มีใครทํานะตัวเองทำนะเพราะว่าการที่เป็นคนโกรธง่ายมีอะไรไม่ถูกใจก็โกรธละอันนี้เรียกว่า เป็นการบ่มเพราะปูกฝังะระเบิดเวลาเอาไว้ในใจของตัวใครที่เป็นคนโกรธง่ายเนี่ยนาต้องระวังนะเพราะว่าเรากำลังสะสมระเบิดเวลาเอาไว้ไม่ต้องรอให้แก่ในะบางทีอายุแค่ยี่ส0โกรธจกนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอมาพลึกอมาพาดไปหรือถึงไม่ถึงแม้จะไม่โกรธ ถึงไ ม, ไม่ถึงกับขนาดเป็นแสเรื่สมองแตกแต่ว่าเพียงแค่มีความโกรธเกิดขึ้นมันก็เผาลนจิตใจแล้วนะพวกเราสังเกตไหมเวลาโกรธเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยนะใจมันรุ่มร้อนอันนี้เรียกนรกชนิดหนึ่งนะนรกมันไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนถึงจะได้ไปเจอนรกสามารถที่จะสัมผัสได้ หากว่าเราปล่อยให้ความโกรธเข้ามาหลังความจิตใจถนอมความโกรธเอาไว้เพื่อนมาแนะนําว่าให้อภัยไม่ยอมแนะนำที่โกรธเพื่อนนะโกรธเพื่อนที่แนะนําว่าให้อภัยเขาสิให้อภัยแฟนเก่าให้อภัยคนที่โกงเงินเรานะอยู่ให้อภัยคนที่กลั่นแกล้งใส่ร้ายเราจะให้อภัยมันได้ยังไงนะ ต้องแก้แค้นมันในระหว่างที่รอาการแก้แค้นจิตใจก็ทุกนะเวาอยู่ร้อนนอนทุกแก้แค้นเสร็จก็ใช่ว่าจะมีความสุขที่ไหนอาจจะสาสใจชั่วคราวเสร็จแล้วก็ไปโกรธเรื่องอื่นใหม่ยังไม่ต้องพูด ถ, ถึงว่าไอ้คนที่เขาถูกแก้แค้นถูกประทําจากเรานี่เขาก็ต้องตอบโต ถ้าเขาไม่ตอบโต้ด้วยตัวเองเขาก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็ตามล่าเราเราก็หาความสงบสุขไม่ได้จะไม่ต้องรอให้ใครมาเล่นงานเรานะไออารมณ์เหล่านี้นมันก็ทำร้ายเราอยู่ทุกขณะที่เราปล่อยให้มันครองใจเราเพราะนั้นถ้ารักตัวเองแท้จริงก็ต้องหาทางที่จะ ปิดกั้นไม่ให้อารมณ์เหล่านี้นะมาครอบงาจิตใจของเราจะหาทางป้องกันได้ไงก็ต้องรู้เท่าทันมันก็ต้องมันนะตามดูรู้ใจตัวเองเหมือนกับบ้านหรือเมืองที่มีทวารบาลหรือว่าทหารยามที่คอยเฝ้าเอาไว้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาลวงล้ำได้ ใจเรามีสิ่งนี้หรื อ, อยังนะใจเรามียามที่คอยป้องกันไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลที่เป็นศัตรูเข้ามาครอบงาใจเราของเราหรื อ, อยังส่วนใหญ่นะก็ปล่อยให้มันหรือว่าปล่อยให้จิตใจใตัวเองเนี่ยนะเปิดโลงนะภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะอาซาเนี่ยศัตรูแล้วก็เข้ามาลุกล้ําเล่นงานจิตใจของเราได้ การทำเช่นนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเอ ง, องแท้จริงถ้าคนที่รักตัวเองเนี่ยนะก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่อยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแต่ลองสังเกตดูนะจะหาคนทุกวันนี้เนี่ยที่จะอยู่กับตัวเองและมีความสุขเนี่ยยากมากาคนส่วนใหญ่นะจะเรียกว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็ว่าได้ เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวยจะกระสับกระส่ายจะต้องหาเพื่อนจะต้องหยิบโทรศัพท์มาคุยจะต้องอไปเที่ยวเตรไปเที่ยวห้างสมัยนี้ก็ต้องจับนะเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาก้มเล่น Facebook หรือว่าส่งลเกิดปรากฏการณ์ที่เราสังคมก้มหน้า ขนาดไปกินข้าวเนี่ยคอยอาหารเนี่ยเพียงแค่สองสานาทีห้ 5, าทียังคอยไม่ได้เลยนะก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาจิ้มต่างคนต่างจิ้มนะไม่คุยกันและยิ่งถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีโทรศัพท์นี่มันจะทุรนทุรายมากเลยเดีย๋ยวนี้วัยรุ่นเป็นกันเยอะที่จริงก็ ผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันคนทุกวันนี้เนี่ยทนอยู่กับตัวไม่ได้นะจึงออกไปเที่ยวห้างหรือไม่ก็หาอะไรทําหรือมิเช่นั้นก็ไปาหาเรื่องพูดคุยกับเพื่อนส่งเมสเ g จหรือไม่ก็โทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์มือถือหายสมาร์ทโฟนไม่มีจะกระสับกระส่ายมากอันนี้เป็นอาการของคนที่ ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แม้จะอยู่ในคฤหาสน์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือสื่อสารหรือถ้าไม่มีคนพูดคุยหรือถ้าไม่มีอะไรทําก็าจะหาความสุขไม่เจอเลยจะ ก, กระสับกระส่ายหรือถึงกับทุรนทุรายอันนี้มันฟ้องนะฟ้องว่าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ แล้วถ้าทนอยู่ตัวเองไม่ได้จะเรียกว่ารักตัวเองได้อย่างไรเวลาเรารักใครเนี่ยเราก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับคนนั้นเรารักพ่อรักแม่ก็อยากอยู่ใกล้พ่อแม่เรารักแฟนก็อยากอยู่ใกล้แฟนเรารักกล้องก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับกล้องรักพักเครื่องก็เล่นพักเครื่องทั้งวันหรือว่าถ้ารักรถนี่ก็ก็เอาแต่ทนรุทนอมรถนะดูแลรถ มีความสุขที่ได้ใกล้ชิดรถเพราะฉะนั้นท้ารักตัวเองเนี่ยมันก็ต้องอยาก็ต้องมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามอยู่คนเดียวแล้วไม่มีความสุขกระสรับกระส่ายนั่นก็แสดงว่าไม่ได้รักตัวเอ ง, องแท้จริงมันมีการรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกตั้งแต่แรกเลยว่าแม้ปากปากจะบอกว่ารักตัวเองแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้รักตัวเองเท่าไหร่หรือว่ารักตัวเองในทางที่ผิดไปรักสิ่งอื่นมากกว่าไปรักเงินทองทรัพย์สมบัติโทรศัพท์รถยนต์หรือว่าชื่อเสียงหรือซึ่งถ้าสาวไปลึกๆนะมันก็รักกิเลสนะ รักกิเลสประคองรักษากิเลสเอาไว้อะไรก็ตามที่ทำให้กิเลสลดลงนะก็จะขัดถืนต่อสู้จะให้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ยอมนะเพราะกลัว่ากิเลสมันจะลดลงให้ลองพิจารณาดูนะต้าเราไม่มาพิจารณาดูล้วก็จะหลงผิดคิดว่าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องแล้ว แต่ว่าถ้าดูไปพิจารณาไปก็จะพบว่าเอ้ยเราไม่ได้รับตัวเองเราลักอย่างอื่นแทนอันนี้ เ, เป็นเพราะความหลงจึงผู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าสิ่งที่มีค่านะถ้าหากว่าสิ่งเดียวถ้าจะได้จากที่นี่นะที่ควรจะได้จากที่นี่คือการรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองจนสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริง และถ้าศึกษาเข้าถึงความจริงของตัวเองนะในที่สุดจะพบว่าใ้จริงแล้วเนี่ยนะมันไม่มีมันไม่มีตัวฉันตั้งแต่แรกเลยโดยซ้ําที่แรกเนี่ยมาปฏิบัติรู้จักตัวเองจนทั่งรักตัวเองแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นความจริงลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะพบว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเองหรือตัวฉันเลยมันเป็นเพียงมายาที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดพ้นจากความคิดมั่นถือมันในตัวตนหมดสิ้นซึ่งความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงจะเป็นสภาวะที่เป็นอิสระเพราะว่าไม่ถูกตีกรอบด้วย ตัวตนหรือความรักตัวเองด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดก็คือนะความรักในสรรพสัตว์ความรักสรรพชีวิตยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่พระเ จ, จ้าตัดเป็นภาษิตเนี่ยก็สําหรับนะคนทั่วไปบุตุชนทั่วไปแต่คนที่รักตัวอย่างแท้จริงเมื่อปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆก็จะ เป็นอิสระจากความจิดมั่นถือมั่นในตัวเองพอรู้ว่าตัวเองหรือตัวฉันเนี่ยมันไม่มีจริงตั้งแต่แรกนะตรงนั้นแหละจะเป็นภาะวะที่อิสระอย่างแท้จริงทำให้เข้าถึงความสุขที่เหนือสุขชนิดที่ความทุกข์มอาจจะแผ่พานได้อันนี้ก็คือการที่คือจุดหมายสูงสุดของการ คนพบตัวเองนะนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนพบตัวเองไปเรื่อยๆพบไปเรื่อยๆก็จะพบถึงความว่างเปล่าเหมือนกับที่เราเจาะทะลุต้นไผ่ไปเรื่อยๆให้ลําไผ่ทเจาะไปเจาะไปเจาะไปพอกก็ว่าในสุดก็จะเจอว่าข้างตรงกลางเนี่ยมันว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่านี้นะไม่ได้ทําให้ เป็นทุกข์เลยนะการพบความจริงช่ทํทำให้เป็นสุขอย่างแท้จริงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะเข้าใจเป็นลำดับไปสำหรับคำนี้ก็